สพระพุทธเจ้าบัญญัติสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นมาวงเล็บเปิด8เมษายน2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสองวงเล็บปิดโลกนี้จริงๆว่างเปล่าเราไปปรุงมันขึ้นมาเองทั้งนั้นแหละโลกนี้ว่างตัวเราก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีอะไรว่างตัวเราก็ไม่มีก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกเท่านั้นเอง โลกมันมีอยู่อย่างนี้แหละแต่มันว่างเปล่าใจเราพอสัมผัสกับโลกมันจะไม่มีอะไรสะดุดเลยแต่ของพวกเราเวลาดูแล้วสะดุดรู้สึกไหมเจอคนนี้ปุ๊บสะดุดเจออีกคนก็สะดุดเจอหมา ก, ก็สะดุดเจอแมวก็สะดุดเจอต้นหมากรากไม้สะดุดหมดเลยคือไปรู้อะไรก็ไปสำคัญมั่นหมายขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนทั้งหมดเลยพอใจเราภาวนาจนเป็นอันเดียวกับธรรมแล้วมันโล่งกว้างมองแล้วไม่มีจะว่ามันเรียบก็ไม่ใช่นะ มันมีแต่มันไม่มีอะไรเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยมันไม่มีสะดุดขึ้นมาเป็นคนเป็นสัตว์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นอะไรพอใจเราเห็นโลกนี้ว่างเปล่าตัวเราก็ไม่มีเป็นส่วนหนึ่งของโลกโลกก็มีแต่ไม่มีอะไรอย่างนี้ใจอยู่กับธรรมเป็นอันเดียวกับธรรมมีแต่ความสุขล้วนๆเลยมันไม่มีภาระที่จะต้องแบกหามอะไรสักนิดเดียวสบายมากนะ แต่ก่อนพระปัจเจก พ, พุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาแล้วนี่ท่านก็เห็นโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรไม่รู้จะบัญญัติอะไรขึ้นมาเลยไม่รู้จะพูดอะไรนะอยู่เฉยๆสบายกว่าพระพุทธเจ้าลำบากในการบัญญัติสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นมาต้องบัญญัติสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนเพื่อจะเอามาพูดสร้างบัญญัติขึ้น เพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีเวลาท่านพูดถึงธรรมแท้ๆบัญญัติของท่านจะเป็นเชิงปฏิเสธอย่างว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนอันนี้ก็ไม่ใช่นะอันนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรสักอย่างก็ไม่ใช่อีกธรรมะพอพูดออกมาแล้วจะเป็นเชิงปฏิเสธทีนี้พอปฏิเสธแล้วคนฟังฟังด้วยใจที่มีมิจฉาทิฐิก็เลยคิดว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยความจริงมันมีแต่ไม่มีอะไร บางวันใจเราอยู่กับธรรมะนะให้พูดธรรมะนี่ยากที่สุดเลยไม่มีอะไรจะพูดนะหลวงปู่ดูลนท่านใช้คำว่าในเครื่องหมายคำพูดมันเหนือคำพูดการจะต้องค้นคว้าแล้วบัญญัติขึ้นมาเป็นภาระกับจิตเป็นการใช้ธาตุใช้ขันธ์ทำงาน